อยากจะขอความรู้ครับขอถามอาจารย์ครับในคําว่าการตื่นรู้เนี่ยครับจริงๆแล้วหมายถึงอะไรกันแน่ครับอาจารย์คือมันมาถึงภาวะที่ตรงข้ามกับความหลับไหลหรือว่าความหลงติดในสิ่งที่มันเป็นมายานะความหมายเบื้องต้นเลยตื่นรู้คือว่ามีความสุขตัวทั่วพร้อมเพราะว่า คนเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในความหลงหลงเพราะว่าเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์นะซึ่งมันก็ทําให้ไม่ต่างจากคนที่หลับหรือว่าคนที่ละเมอแล้วคนที่ละเมอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําอะไรได้เดินเปิดประตูลงบันไดหรือสมัยนี้ก็มีการละเมอแชทนะทั้งที่ละเมอก็สามารถจะแชทได้นะ คนทุกวันนี้แม้ตื่นเนี่ยกายตื่นแต่ว่าใจอาจจะหลับหรือว่ า, าหลงอันนี้เรียกว่าลืมตัวอันนี้มก็ตามที่เรารู้สึกตัวนะมีสติอยู่กับปัจจุบันรับรู้ว่ากายกาลังทำอะไรหรือว่าใจกาลังคิดนึกเรื่องอะไร ไอภาวะเชเนี้ยเราก็เรียกว่าความตื่นได้นะซึ่งทางวัตศาสนาเ น, น้นมากนะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมครูอาจารย์สอนไม่ให้ทำความรู้สึกตัวเวลาทํากิจใดๆก็ตามที่ท่ทานติดนันทางเขียนหนังสือชื่อว่าปฏิหารในการตื่นอยู่เสมอเนี่ยก็คือว่าปฏิหารในการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะนี่เป็นความความความตื่นรู้เบื้องต้นเลยนะคือมันเป็นสิ่งที่ตรงข้าม กับความหลงคนเราเนี่ยมันจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ลงอยู่สอ ง, สองแบบอย่างแรกคือหลงเพราะลืมตัวหรือไม่รู้ตัวอันนี้เป็นกันเยอะแต่ที่เป็นกันมากที่สุดเนี่ยก็คือหลงเพราะไม่รู้ความจริงนะตรงนี้เนี่ยความตื่นรู้เนี่ยประการที่สองเนี่ยหมายถึงอันนี้แหละคือการที่ได้เห็นความจริงของสรรพสิ่ง ไม่ตกอยู่ในการครอบงำของมายาคติหรือมายาผ้าเช่นการหลงหรือการติดในมายาว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่า่วงต่อเวลาจากี่ไปเนี่ยจะเป็นช่วงสคัญในส่วนของานนะคะซึ่งก่อนที่จะเริ่มช่วงนั้นทขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จในวันนี้ขอความกนะคะ อาจัดานีเข้ามา็นะเ้าซึ่งในปีนี้เนี่ยะกรการจัดงานได้ทำทีกอย่างจะมีผลโดยใช้ QR code นะคะบางรา่ยังมี r c o e ในการจัานามรถไครับได้ที่ีสำัหรือไม่รอเข้นช่องทาค่ะช่อทางท่ตางนานาทหนนหรืองานที่เราศิลปะนะคะเข้าไปนี่แจะนวนผลงาน เรื่องวันที่จะระมัดระวังวันนี้นีวันที่สองจัดส่งสับมิ้เลยค่ะเป็นอจกหนึ่ง่างชานกาทําาได้อย่าง่ายๆค่าลการโดยช่วยลดร้นๆนะครับเองซึ่งก็เป็นการนาการทางานของฝ่ายคุณภาพของเราอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะซึ่งในการจัดกิจกรรมี่ยทางะให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนางานจึงมีการจัดประชุมเป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นประจาทุกปีค่ะครับผม แล้วก็ในการจัดงานมักกันครั้งนี้นะครับมีผู้ส่งผลงานประเภศ4 q i นะครับทั้งหมดเนี่ย205งานอาจารย์ขออนุญาตของเรื่องที่หลงอยาที่สองครับอายครับันี่หลงประเภทที่สองเนี่ยก็คือ ไม่รู้ความจริงนะไม่รู้ความจริงของสปปรรพสิ่งซึ่งครอบคลุมถึงไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยก็คือไปหลงคิดว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเที่ยงนะมันเป็นสุขมันเป็นตัวเป็นตนก็ไปหลงเชื่อเป็นสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความ หลงคันพื้นฐานซึ่งมันทำให้เกิดควารรมยึดติดถือมั่นหลงแบบนี้บางทีเราก็เรียกว่ า, าวิชาอขอท่านทุนทุนแค่าประโยก่อนนันหลงแบบนี้เราเรียกว่ า, าวิชา นะซึ่งมันต่างจากลงแบบแรกลงแบบแรกเนี่ยก็คือไม่รู้ตัวเราแก้ได้ด้วยความรู้สึกตัวมีสัพชัญญะนะแต่ว่าคนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยก็อาจจะยังมีอวิชชาเป็นพื้นฐานนะยังมีความยึดติดถือมั่นยังมีความชั่วมีตัวกูมีของกูนะ ยังมองโลกแบบแบ่งแยกมีเรามีเขามีมนุษย์มีสัตว์มีธรรมชาติซึ่งแยกขาดจากกันซึ่งมันก็ในแง่นึงก็คือมันทำให้เกิดความยึดติดถือมั่นเป็นพักเป็นพวกมีความอยากได้เข้ามาครอบครองเป็นของกูมีความโวงแขนานี้เป็นพวกของกูใช่ไหมซึ่งก็นำไปสู่การรูสึเป็นปฏิบัติ์กับ สิ่งที่ถือว่าไม่ใช่ของกูหรือว่าไม่ใช่พวกกู เ, เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความลงที่นําไปสู่การเบียดเบียนการทําลายนะอันนี้แหละที่เรียกว่าเมื่อหลงแบบนี้มันทําให้เกิดกิเลส น, นะแล้วก็ทําให้เกิดการเบียดเบียนซึ่ง ก, กันรัดกันในเมื่อเรากเมื่อตามที่เราตื่นรู้นะเริ่มจากมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม เอ้ควาสึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่หลงเข้าไปในความที่ไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ไม่ถูกกินอะไครอบงําจะทําอะไรเนี่ยก็ที่ถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่มุ่งที่จะไปเบียดเบียนใครเพราะว่ามีความโลภมีความโกรธมีความเกลียดนะแต่ว่าไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็หลงเข้าไปใหม่แต่เนื่ก็ตามที่เรามีวิชาเพราะ เกิดปัญญาเห็นความจริงตัวนี้ก็ทํทำให้เราตื่นอย่างแท้จริงนะเรียกว่าเป็นพุโทโธก็พุทธเนี่ยนะคือพุทโธหมายผู้ ร, นะรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นนี้เป็นการตื่นรู้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีพระเจ้าเป็นแบบอย่างแล้วก็มีพระหันนะเป็นผู้สำเร็จตามมา ะนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขอิสระนะก็ต้องทําแจเราให้ตื่นเริ่มจากมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แบบไม่ใช่คนหลับคนไหลคนละเมอใจลอยแล้วก็ไอความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละที่มันจะเป็นพื้นฐานไปสู่การทำความดี และเห็นความจริงพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อบุคคลมีความสึกตัวอากุศลกรรมอากุศลธรรมใดที่มีอยู่ก็ดับไปเลยกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นความสึกตัวนั้นเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นไม่เสื่อมสูญแม้อันตรธ า, านแห่งพระสัทธรรม น, นี้เป็นการเชื่อว่าเนี่ยเมื่อคนเรามีความตื่นรู้เริ่มจากความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบาดฐานไปสู่ความตื่นรู้เป็นอิสระจากมายาภาพจากอาวิชชาจากความหล ง, งงงงายนะที่ไปเห็นสิ่งต่างๆคั้นเคลื่อนความเป็นจริงท่านมองว่าเรื่องตื่นตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับคนวหน่มีความจําเป็นสำหรับคนวหนุ่มเป็นพิเศษ มันเหมาะกับทุกคนถ้าต้องการมีความสุขและมีชีวิตที่เป็นอิสระนะจะเป็นไวัยไหนก็ตามก็ต้องมีสิ่งนี้เหมือนกับพูดว่าความดีเหมาะกับคนวัยใดมันก็เหมกับคนทุกคนนะตั้งแต่รู้ความไปจน ถ, ถึงใกล้ตายความตื่นรู้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีความตื่นรู้และการทำความดีมันก็เป็นไปได้ยากหลายคนเนี่ย อยากจะทำดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะว่ามันหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์โกรธเกลียดเลยเพระพนี้วปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสามตัวใหญ่นะโกรธเกลียดกลัวนองเนื้อากอีกสามตัวที่ทำให้หลงเหมือนกันนกะ็คือกินการเกลียนดะถ้าเกิดว่าต้องการความสุขนะมันก็ต้องหาทางที่ทำใจเป็นสละจากสิ่งเหล่านี้ได้หนะกอเนี่ยในความสึกตัว ความตื่นรู้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วอาจารย์ถ้าฝากสำหรับคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนอย่างนี้นนครับเขาจะเข้าถึงเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้ได้อย่างไรทุกวันนี้เนี่ยนะอาตมาเห็นผู้คนเนี่ยไปตามหาตัวโปเกมอนเยอะเลยใช่มะ ระหว่างที่ตามหาโปเกมอนเนี่ยก็ทิ้งตัวตนหรือทิ้งจิตจริ้งใจเลี่ยนล่าไปตามระยะทางเยอะแย ะ, ยะตามหาตัวโปเกมอนก็สําคัญนะแต่ว่าควรจะตามหาตัวเองให้เจอด้วยนะถ้าตามหาโปเกมอนเจอแต่หาตัวไม่เจอเนี่ยมันไร้ประโยชน์นะชีวิตหรือเวลาที่ผ่านมามันก็ศูญย์เปล่าตามหาตัวโปเกมอนให้เจอก็อย่าลืมตามหาตัวให้เจอด้วยนะกลับมาเป็นมิตรตัวเอง นะไม่ใช่พยายามเรียกร้อยให้ครใครคนอื่นมาเป็นนี้กับเราแต่ว่าตัวเองนี่ไม่เป็นนี้กับตัวเองคนทุกวันนี้ไม่เป็นนี้กับตัวเองนะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็เหงาอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็กระสับกระส่ายต้องจับโทรศัพท์ต้องเล่นไลน์ต้องเล่นเฟซบุ๊กต้องไปเที่ยวห้างต้องทำโน่นทำนี่เพราะว่าอยู่กับตัวเองไม่เป็นต้องการหนีตัวเองถาว่าทำไมหนีตัวเองเพราะว่า ไม่เป็นมิตรตัวเองถ้ากลับมาเป็นมิตรตัวเองตามหาตัวให้เจอเนี่นะมันมีความสุขนี่คือสละที่แท้จริงถ้าเราไม่เป็นมิตรตัวเองเราหาตัวไม่เจอนะมันไม่มีทางที่จะพบกับคําว่าเสรีภาพหรือสละที่แท้จริ ง, งเก็จะต้องเป็นทาาของสิ่งเสพท่าทของเทคโนโลยีท่าทของโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่ออะไรมากมาย ไอ้พูดที่มีประโยชน์นะแต่มันมีเประโยชน์แค่จริงเมื่อเราใช้มันแต่ทุกวันนี้เราปล่อยให้มันใช้เรานะเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นเบาวที่ดีเป็นนายที่เร็วถ้ามันเป็นถ้าเราใช้มันนะมันจะดีมากเลยแต่ส่วนใหญ่มันใช้เราหรือว่ามันกลายเป็นนาย รวมถึงความคิดอุดมการต่างๆเนี่ยที่ที่ทะเลาะ ก, กันบอกทะเลาะ ก, กันงจะตัดยติข่าวมิดไม่คบหาสมาคมหรือทำร้ายกันเนี่ยเพราะว่าเราไปยึดติดกับความคิดอุดมการมากความคิดก็เหมือนกันนะมันเป็นเบาที่ดีเป็นนายที่เลวถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะใช้เราทำลายคนที่คิดต่างจากสิ่งที่มีในหัวของเรานะใคร ที่คิดไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ในหัวเราก็จะตัดย่าดขาดนิดเห็นเขาเป็นศัตรูหรือว่าถึงขั้นโค่นล้นทำลายจับเข้าคุกกำจัดออกไปจากโลกนี้นั่นแปลว่าอะไรแต่ว่าความคิดมันกำลังใช้เราเพื่อไปทำลายกับความเห็นต่างความคิดต่างแต่ถ้าเกิดว่าความคิดมันเป็นบ่าวของเรา呐นะ เราจะใช้ความคิดนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สร้างสรรได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าต้องการอิสระภาพนะต้องการความสุขนะต้องกลับมาเป็นนิระตัวเองกลับมาพบตัวเองให้เจอทำให้ใจเป็นอิสร ะ, ะจากสิ่งเหล่านี้นะแล้วเราจะเป็นนายของตัวเราเราจะเป็นนายของสรรพสิง่งอย่างแทจริงแต่เป็นนายเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะม า, มาบังคับ ใช้มันเพื่อส่งเสริมกิเลของเราเพิ่มเติมกิเลของเราแต่ใช้เพื่อการทำประโยชน์ประสริฐศรวงทลวทำาให้ใจเราเป็นมิตรกับผู้คนได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราเป็นมิตรกับตัวเมื่อไหร่นะเราจะเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายมากเลยเราจะไม่เห็นคนอื่นเป็นศัตรูแม้ว่าจะมีความผิดต่างจากเราแม้ว่าจะมีผิวสีนะเชื้อชาติต่างจากเราสถานะต่างจากเราก็ยังเป็นมิตรกัน ความเป็นมิจฉาแขกยังไปถึงสรรพสัตว์ด้วยนะตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่เรารู้จักตัวเองจนถึงขั้นว่ามันไม่มีตัวกูอยู่เหลือเลยยิ่งมารู้จักตัวมันผ่าเท่าไหร่ก็เพราะว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงนี่เป็นความตื่นรู้ที่สําคัญมากแล้วพราคนยังหลงอยู่ว่ามีตัวกูอยู่แล้วเมื่อเราเห็นว่าไม่มีตัวกูอย่างแท้จริงนะหรือไม่มีตัวกูอยู่เลยเนี่ยจิตใจมันจะ เต็มไปด้วยความรักความเมตตาจิตใจจะแผ่กว้างรู้สึกเป็นมิตเชื่อมโยงกับสรบสรพสัตว์และสรรพสิ่งมีคนพูดว่าเมื่อเราก็ตามที่เรามองเข้ามาที่ตัวเราและไม่เห็นอะไรเลยสิ่งนั้นคือปัญญาเมื่อเรามองไปข้างนอกแล้วเพราะว่าสรรพสิ่งนั้นคือเราหรือเป็นหนึ่งเดียวกับเรานั่นคือเมตตาอาตมา ที่ว่นีคือบสรุปที่ดี่สุด ข, ของการตื่นรู้ก็ะคุอตื่นเรือแท้จริงนะคุณก็จะพบว่ามันมีตัวกู้เหลืออยู่เล ย, ย, เลยแล้วมาตื่นเรื่อยแท้จริงนะเราจะเป็นมิตรกับสรรพสัตว์กับสรบสรพสริส่งเป็นหนึ่งเดียวกับทุกผู้คนนะและโลกนี้จะงดงามนะถ้าบูคคนมีความตื่นรู้แบบนี้อาจารย์ตะกี้สรุปได้ดีมากเลยครับเป็นเก็ ยงเดกสอขอคาขอสงนไม่เปือ่พระอาจารย์จิอยู่กรุงเทพปนหวันครับไม่เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวต้องกลับวัดอ๋อไปแล้วกลับครับไม่ต้องออกอนีอ้เร็วที่สุดเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องบิน อยากจะขอบคุณขอขอกาบอาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มนี้สัิเล่มหนครับในฐานะที่มีโอกาสได้ได้ผ่านตาต้นฉบับแล้วก็ได้เขียนขึ้นหนังสือนี่เขียนด้วยภาษาร่วงสมัยแล้วก็พยายามนําเสนอแนวทางต่า ง, างๆเพื่อทําให้เกิดการตื่นรู้มารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักสรรพสิง่งที่อยู่รอบตัวเราคือรู้จักโลกนะซึ่งมีวิธีการที่เป็นรูปธรรม หลากหลายตามแนวทางของผู้รู้มากมายนะซึ่งเชื่อว่าจะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันเหมาะคนสมัยใหม่ได้แล้วก็แน่นอนก็ทำให้เกิดคำถามซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะาถ้ามันตั้งคำถามให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มแสวงหานะบางทีสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่มีที่คาตอบมีคีาคำถามนะล้าสมาชิกว่าอ่านเสร็จนี้แล้วเนี่ยก็ต้อง มันทำให้เราเกิดคำถามหรือเกิดคเกิดความตั้งความสงสัยกับชีวิตที่ผ่านมาธัตมะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยดำเนินบ น, นทางแห่งความตื่นรู้ได้ดีขึ้นดันั้นทั้งสือมนี้มันไม่ใช่แค่เอาไว้คิดนะแต่มันต้องเอาไปปฏิบัติเยอะด้วยตัวเอง ค ำ, คำถามที่พระอาจารย์คิดว่าคณะจะพบแล้วเจอแล้วหรือรอาจะไม่เกี่ยวจับ ก, การอ่านหนังสือเป็นนี้ก็ได้คำถามที่คนทั่วไปคนจะมีในชีวิตเนี่ยมันปเป็นคาถามที่เกิดขึ้นมานานแล้วอยู่ไปเพื่ออะไรชีวิตนี้มีจุดมุ่งหมายคืออะไรในที่เราเดินหนทางที่เราเดินมาจนทุกวันนี้เนี่ยมันใช่ไหมชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าเราเคยถามไหมไม่ถามนะ ถ้าเราไม่ถามเลยว่าชีวิตที่เรากําลังดําเนินอยู่นี้เนี่ยมันใช่ไปนะทุกวันนี้เนี่ยมีคนพูดว่าเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตนะเราต้องใช้ชีวิตนะแต่มันใช้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเราจะไม่ใช้ชีวิตก็ได้นะถ้ า, ากว่ามันเป็นชีวิตทําการเสพการบริโภคนะชีวิตมันจะเป็นชีวิตตั้งแท้ตั้งแท้จริงเนี่ย มันต้องมีแรงบันดาลใจต้องมีจุดมุ่งหมายหลายคนที่บอกว่าฉันกาลังใช้ชีวิตเนี่ยแต่ถามว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายไหมมีแรงบันดาลใจไหมถ้าพราะว่ายังไม่มีแรงบันดาล ใ, ใจเลยไม่รู้อยู่ไปเพื่ออะไร earth and earth and earth ไอ้สิ่งที่เป็นไม่ใช่ชีวิตแล้วสิ่งที่ทําอยู่ไม่ใช่การใช้ชีวิตแล้วนะมันก็เป็นการปล่อยชีวิตให้สูญเปล่ามากกว่านะเป็นการทึ้งชีวิตให้สูญเปล่าในนามของ การเสกการบริโภคความสุขสบายรื่นเดิมอันนี้คือสิ่งที่ควรจะตั้งคำถามสุดท้ายครับมีมุมมองของพระอาจารย์ที่มีโอกาสเดินทางแล้วก็ไปบอกเล่าเรื่องพวกนี้คับพระอาจารย์ก็จะนมว่าคนรุ่นใหม่สังคมตอนเนี้แนวมองเป็นอย่างไรครับกางเรื่องตื่หรือยิ่งแบบหนักเป็นอะไรแบบไหนกันบ้างตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งอำนวยความสะดกสบายเยอะสิ่งยั่วยวนก็มากในแง่หนึ่งเสรีภาพเยอะขึ้นอิสรภาพมากขึ้น แต่เป็นศสริภาพที่อาจจะนำไปสู่ความหลงใช่ไหมเพราะมันไปปนเปดสนองกิเลสมาก ม, มันทำให้คนเนี่ยจมอยู่ในความสนุกสนานเพลิอเพลินสะดกสบายสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมายจนอาจจะเกิดความบึนชาทางสติปัญญาหรืออาจจะเกิดความหลงงม ง, งายหนักเข้าไปใหญ่แต่ว่าโอกาสหรือช่องทางที่ทาให้เป็นสระจากสิ่งเหล่านี้ก็มีมากขึ้นกว่ายุค ก, ก่อนมันอยูที่ว่าเราจะ เลือกอะไรงนะั้นถ้าถ้าคิดเป็นเลือกเป็นเนี่ยโอโอกาสและศักยภาพมีสูงมากเลยวิธีการตื่นรู้ทุกวันนี้มันหลากหลายมากขึ้นมันไม่คับแค่แค่วิธีการเดียวใช่ไหซึ่งมันเป็นประโยชน์ถ้าเราเอาหลากหลายวิธีเนี่ยเอามาเอามาเราจะเลือกใช้เลือกสัรเนก็จะทำให้ความตื่นรู้เกิดขึ้ น, นเร็วแล้วก็โดยที่ไม่เปต้องหลีกเีออกจากโลก ที่เราอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตระหนักนะถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะหลงติดเข้าไปในกับดักแห่งความสะดวกสบายแห่งความหลงตัวดื่มตนก็มีมากอ